ผมชื่อเล่นชื่อต่อนะครับชื่อจริงชื่อเกลิกพงศ์นามสกุลพงศ์ไตรธรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมาผมดีใจที่เห็นเมื่อครั้งแรกผมมาเนี่ยมีกุฏิไม้หลังคาเต่าสูงสู ง, สงอยู่สัก3ามกุฏิเห็นจะได้เราก็มาช่วยกันทอดผ้าป่าทำ แหล่งน้ำแหล่งเก็บน้ำอยู่ทั่ ว, ท, ว, ท, ว, ท, วทั่วไปเพื่อที่จะสู้กับไฟป่าเวลาไฟมาแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยก็ไปตามกรามตามวาละของตัวเองจนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเออผมยินดีที่ผมได้กลับมาก็จะได้มีโอกาสได้เรียนได้บา ร, รมีของหลวงพ่อเพิ่มเติมขึ้น เอาพอรู้จักกันคร่าวๆนะครับผมเรียนหลายอย่างเพราะอยากจะรู้อย่างหนึ่งในนั้นไม่อยากจะเรียนเลยแต่ตั้งแต่เจ็ดวันจนตายจากกันกงก็สอนเรื่องการเป็นแพทย์แผนตะวันออกแล้วผมก็ไปเรียนทางโลกพอเข้าการบินไทยได้มีตังมีเวลาก็เรียนใหญ่เลย สิ่งที่ผมผ่านมาก็เดินทางไปข้อโลกทุกที่ที่ผมไปผมจะไปดูพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะได้ทราบว่าประวัติเขาเป็นมาอย่างไงที่สองที่จะไปก็คือไปดูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ว่าเขาจะไปกันทางไหนประเทศชาติบ้านเมือง น, นั้นที่สามที่จะไปก็คือไปดูตลาดเช้าหรือว่า ตลาดวันอาทิตย์ซันเดย์มาร์เก็ตเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขากินอยู่หลับนอนกันเป็นยังไงแล้วที่สุดท้ายที่จะต้องไปเสมอก็คือไปโบเทนิคการ์เด้นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อที่จะได้รู้ว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างไรแล้วพอเราเห็นมากๆไปหลายๆที่แล้วก็เชื่อมโยงความเป็นมาเป็นไปของโลกได้นั่นคือสิ่งที่ผมได้รับ ผมเคยบวช เ, เมื่อตอนอายุยี่สิบหกเพราะไม่มีทางจะไปชีวิตมืดมนขนาะตอนนั้นเป็นหัวหน้าลูกเรือแล้วนะชีวิตยังมืดมนเลยบวชกับเจ้าคณะภาคสิบหกนก 16, ปหลงๆแท้ๆผมที่วัดพิชัยญาติแล้วก็ไปถูกส่งไปปฏิบัติธรรมเรียนจากท่านอาจารย์พุทธธาตุในขณะที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ก็นั่งเรียนกันหัเขาแทบจะเกยกัน บ่ายสามโมงเมื่อผมลงนั่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถามท่านอาจารย์ก็จะอธิบายเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากแล้วผมก็กลับไปปฏิบัติแล้วผมก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยจนกระทั่งสมควรแก่เวลาผมจึงกลับมาสึกแล้วอยากจะกลับไปบวชตลอดเวลาแม้ขณะนี้ก็ตาม อยากกลับไปบวชแต่รู้ว่าสิ่งซึ่งเราตั้งใจมาไม่ใช่มาทำเพื่อเราคนเดียวถ้ามาทำเพื่อเราคนเดียวกลับไปบวชส บ, บายป่านนี้ก็สบายไปแล้วแต่สิ่งที่ผมตั้งใจทำคือผมต้องการเป็นหมอประจำศาสนาในศาสนาที่จะมีต่อไปในวันข้างหน้า ศาสนาพระศาสดาเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าผมสั่งสมบา ร, รมีได้พอไม่รู้อีกกี่ชาติอีกกี่กับผมก็จะค่อยๆทำไปและในระหว่างทางนี้ก็จะพยายามอย่างที่สุดที่จะช่วยคนซึ่งป่วยผมรักษาคนมาปีนี้ปีที่15แล้วตัวผมเองก็ เลิกป่วยมาปีนี้ปีที่สิบห้าเหมือนกันผมไม่ปวดหัวตัวร้อนผมไม่เป็นหวัดแต่เมื่อเร็วๆเนี้ยเป็นครั้งที่เอ่อน่าจะใกล้ป่วยที่สุดผมติดเชื้อแล้วก็ร่างกายผมก็สร้างอุณหภูมิระดับสี่สิบองศาขึ้นแล้วผมก็นอนหลับไปเลยแปดชั่วโมงตื่นมาก็ก็หายเป็นปกติแข็งแรงดีนอกกนั้นแล้วก็ไม่เคยเป็นอะไรอีก ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเป็นไวรัสต่ออักเสบบีสองครั้งอะไร ก, ก็ไม่รู้อีกสักครั้งหนึ่งหมอก็กลัวจะเป็นมะเร็งตับ เ, เป็นมาเลเรียขึ้นสมองครั้งหนึ่งมาเลเรียธรรมดาครั้งหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้เป็นหวัดจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเมื่อไหร่มันหายมันน็อกรอบแล้วก็เป็นอะไรเยอะแยะมากมายป้งกันก็ไม่ดี แต่หลังจากที่ผมเอาความรู้ซึ่งโงงสอนผมตั้งแต่อายุเจวันจนตายจากกันไปแล้วก็มาเพิ่มเติมกับความรู้ที่เรียนทางตะวันตกเพิ่มเครือเข้าไปอีกเพื่อที่จะสร้างยาเพื่อที่จะสร้างตำราสร้างความรู้ผมเรียนทางด้านสื่อสารโทรค ม, มนาคมกับหน่วยสื่อสารกองทัพบกสารัฐ ก, ก็พอไม่รับรองอันนักา ร, ระดับนียตรีแล้วก็เรียนส่งเสริมการเกษตรเรียนทางด้านการศึกษา แล้วก็บริ ญ, ญาโทรไอที่ G, เอแบกเขียนนิยมอันดับหนึ่งแล้วก็บริ ญ, ญาเอก o o ้ดเอนจ e e นียร์ไบโอโปรเซสเทคโ o โลยีที่ AIT ก็เกียนนิยมอันดับหนึ่งเหมือนกันและนอกจากนั้นก็ถ่ายรูปสำรวจขุดเจาะผลิตน้ำมันดิบของบริษัทเชลในประเทศไทยทั้งหมดเป็นคนสอนให้คนเป็นครูสอนนักนำน้ำ คนที่ 9,444 ของโลกของสมาคมครูสอนน้ ำ, น ำ, นำแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเป็นครูสอนยูโดโตั้งแต่สมัยเด็กๆ เ, เป็นอะไรเยอะๆหลายอย่างซึ่งไม่สสำคัญเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าจะเป็นอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แล้วก็จะเป็นหมอประจำศาสนา แค่อย่างเดียวก็พอมีสติอยู่รู้สึกทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งการปรุงแต่งในใจการวาดวางแผนการกลับไปในอดีตเพื่อที่จะเอาความรู้ต่างๆมาใช้แค่นี้ก็พอละผมอ่านหนังสือประมาณ มากกว่าครึ่งห้องสมุดที่โรงเรเียนสมชันบางรักเพาอยากรู้ใฝ่รู้แต่ถ้าผมไม่ได้อ่านหนังสือเหล่านั้นเลยแล้วให้ผมอ่านได้แค่เล่มเดียวผมจะอ่านหนังสือที่ท่านประชาแปลตอนนั้นเป็นพระบวชอยู่ด้วยกันเจอกันที่สวนโมกเจอกันที่เวรุวันอยู่ด้วยกันสามสสามเดือนกว่าคือปฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอเล่มเดียวก็พอแล้วแล้วที่เหลือมันจะมาเอง หลังจากทีเออ่เราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับธรรมชาติและทุกอย่างมันจะมาเองความรู้ทุกอย่างมีอยู่แล้วในธรรมชาติความรู้ทุกอย่างมีอยู่แล้วรอบตัวเดี๋ยวมันจะมาเองสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันด้วยคืนนี้ก็คือถ้า เราไม่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมันจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราบราารลุธรรมแล้วเราสบายแล้วสุขภาพร่างกายก็เหมือนเสื้อผ้าตัวหนึง่งเปลี่ยนซะใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามุ่งมั่นในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่เราก็จะกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้น สวยกว่าเดิมหล่อกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมทำสิ่งเดิมๆได้แน่นอนล้านเอร์เ็นต์เรื่องนี้ขอยืนยันหลังจากที่ผมสบายในระดับหนึ่งแล้วผมก็ช่วยคนรักษาไปเรื่อยอมีอะไรที่หนักๆผมชอบไปที่จะไปรักษา ผมรักษาคนมา15ปีช่วยคนไม่ได้18คนมาเ็งระยะสุดท้ายเขาอยู่กับผมนานพอประมาณเมื่อเขาตายไม่มีใครต้องใช้มอฟ p h ไม่มีใครทุกข์ทรมานก็ไปสงบไปสบายที่เหลือนอกจากนั้นถ้าเอา o p i o ์ d มารวมกันใบใบเขียนสูตรยา ม, มารวมกันน่าจะได้ประมาณสักกระดาน 7-8 แผ่นความหนาของมันตลอดระยะเวลาส5บปีผมไม่เคยเก็บสตังค่ารักษาใครแม้แต่บาทเดียวอย่างมากเก็บค่ายาไม่มีค่ายาก็ไม่เก็บบางทีต้องออกตังค่าผ่าตัดให้เขาด้วยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เ, ออเคล็ดลับที่ผมไม่ป่วยเลย15บปีอยู่ที่วิชาหมอเทวดา ไม่ใช่ผมเป็นหมอเทวดาแต่พวกเราทุกคนล้วนมีหมอเทวดาอยู่กับตัวเองด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าเขายังไม่ตื่นเราอาจจะเป็นคนป่วยแต่เราอาจจะเปลี่ยนจากคนป่วยเป็นหมอเทวดาได้ถ้าเรามีความรู้ห้าเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งวิธีกินอย่างถูกต้องเรื่องที่สองรู้วิธีบริหารจัดการอารมณ์เรื่องที่สาม รู้วิธีการออกกําลังกายพื้นฐานเพื่อที่จะกระตุ้นให้ระบบปุ้มการทํางานเต็มประสิทธิภาพเอาวัยวะภายในทํางานเต็มประสิทธิภาพรู้ที่4รู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือจัดการตัวเราให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนอย่างสุดท้ายรู้พัฒนาความเป็นมนุษย์ซึ่งอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาพูดที่นี่เลย แต่ถ้าเผื่อเรื่องออ Book of the d ะเดหรื อ, อ, อน่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าคำพีแห่งการดำรงอยู่ของทิเบตของนิกายวัชรยานอันนั้นก็น่าที่จะ เ, เรียนรู้เพื่อที่จะ เ, เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ซึ่งต้องการกลับมาเกิดอีกผู้ซึ่งต้องการท่องไปในวตาสงสารอย่างมีความสุขอย่างเป็นประโยชน์ อันนั้นก็น่าที่จะเรียนรู้เอ่อวันนี้น่าจะมีโอกาสพูดได้แต่เพียงแค่เรื่องการกินอย่า ง, อ ย, างอย่างยั่งยืนอืมจริงซึ่งผมถ่ายทอดนี้มีคนปฏิบัติตามผมมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยอยู่หลายรุ่นแล้วแล้วทุกคนก็จะหล่อล่ำบึกสวยแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยกันทุกคน เพราะฉะนั้นเอ่ออย่านึกหรืออย่าคิดไปว่าผมเป็นผู้บรรลุธรรมแต่คิดเป็นว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วเราแบ่งปันสิ่งทีงร่รู้ซึ่งกันและกันซึ่งเมื่อเย็นก็มีออุบาสิกาท่านหนึ่งนอกจากให้กล้วยผมหวีหนึ่งแล้วก็ยังบอกผมวิธีว่ากินผักยังไงมันถึงจะ ดีกับร่างกายนะครับก็ถือเป็นการแบ่งปันกันมผมไม่ได้ใส่แว่นผมเลยไม่รู้ว่าท่านนั้นน้องท่านนั้นอยู่ในที่นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งมผมถามท่านอาจารย์พุทธทาสว่ากินผักอย่างเดียวดีไหมท่านตอบผมผมยังจำได้ยอยู่ทุกวันนี้ว่า กินเนื้อก็เป็นยักษ์กินผักก็เป็นควายเกิดเป็นคนต้องกินคุณค่าของอาหารแล้วผมก็ไข้ครวนผมต่อมาอีกสิบีาพตผมค้นพบว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยกินอะไรเนี่ยก็สำคัญระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเราเอาเลือดเนื้อเขาเอาไปใช้ทำอะไรไนั่นสาคัญกว่าถ้าเรากินหมู แล้วเราก็มารับใช้สังคมช่วยเหลือเกือ้อกูลพุทธสถานซึ่งหมูมันทําไม่ได้นะหมูมันทำประโยชน์ในด้านนี้ไม่ได้เขาตายไปแล้วเราเอาเลือดเนื้อเข้ามาเป็นเลือดเนื้อเราแล้วก็เราก็ไปทําประโยชน์ประโยชน์เนี้ย่ยอมมีกุศลแผ่ไปถึงหมูด้วยผมเคยสงสัยว่าแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นได้ไง แต่ผมจะไม่พูดคืนเนี้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไว้ถ้ามีโอกาสวันทั้งหน้าแล้วผมจะเล่าให้ฟังในสิ่งที่ผมพบด้วยตัวผมเองว่าการเรากินเลือดเนื้อคนอื่นแล้วเรามาสร้างกุศลแล้วมันจะเป็นกุศลกลับไปหาเจ้าของเลือดเนื้อได้ยังไงเพราะต้องพูดกันยาวแล้วปกติผมจะพูดตอนสุดท้ายวันนี้เอาทานยังไงมันถึงจะยั่งยืนนะครับ อ, อ ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซ p พเนี่ยเนี่ ย, ยที่ผมเป็นที่ปรึกษาประธานบริษัทอยู่เนี่ยเขาปฏิบัติตามเขาเหล่านั้นแข็งแรงหมดหนึ่งปีผ่านไปไม่เจ็บไม่ป่วยหนุ่มขึ้นมาสิบปีง่ายๆอย่างแรกเราจะทานเยอะแค่ไหนก็ได้เราจะทานหนึ่งมื้อพอในหนึ่งวันหรือเราจะทานสามมื้อสี่มื้อ ไม่ใช่สาระสาระอยู่ตรงที่สัดส่วนของอาหารที่เราจะทานถ้าเราทานแป้งมากเกินไปตับของเราจะต้องย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูกโคสย่อย่อยย่อยย่อยย่อยยากมากพอเป็นน้ำตาลกลูกโคสเสร็จเราไม่ได้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไถานาแบกหาม เราปฏิบัติทำกันเราไม่ได้ใช้พลังงานมากนักเราก็มีน้ำตาลก o ูโกสเหลือเพียบสิ่งที่ตับจะต้องทำงานอีกก็คือสกัดน้ำตาลก o ูโกสให้กลับไปเป็นไกลโ o เจนสะสมพลังงานไว้ในตับแล้วก็เหลือบานเบิร์กเป็นพิษเหมือนรถบรรทุกซึ่งมีแต่ขยะเป็นน้ำตาลเต็มไปหมดเลยมันก็ขนของดีๆไปหาเซลล์ไม่ได้ขนของเสียๆออกจากเซลล์ไม่ได้เราอายุ60 ตับเราที่กินแต่แป้งกินแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็ไป 80-90 แล้วเราก็จะป่วยปัญหาก็คือเบต้าเซลล์ในตับอ่อนมันก็จะไม่มีคุณภาพมันก็ผลิตอินซูลินที่มีคุณภาพที่จะกระตุ้นให้น้ำตาลเข้าไปในเลือดไม่ได้เราก็จะป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วเราก็จะกินยาฉีดอินซูลินแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายจนกระทั่งไตเราเสียเราต้องไปฟอกไตอันที่เราสองครั้งครั้งลา พั0สอง0ัถึง2อ0 0แล้วเราก็ตายเพราะว่าไตวายอันเนื่องมาจากรักษาโรคเบาหวานเพื่อไม่ให้เราเป็นเบาหวานง่ายนิดเดียวหรือแม้เราเป็นแล้วก็ตามเราต้องการหายจากโรคเบาหวานเราทานแป้งเพียงแค่ไม่เกิน 25% อเของมื้ออาหารถ้าเราป่วยแล้วเราทานแป้งเพียง 20% ของเของมื้ออาหารหรือน้อยกว่านั้นแป้งในที่นี้หมายรวมข้าวขนมปัง วิเทียพิซซาขนมไทยที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวมะพร้าวเนื้อมะพร้าวผลไม้ดิบฝรั่งดิบกล้วยดิบกล้วยทอดนะครับออของเหล่านี้ล้วนเป็นคาร์โบไฮเดรตล้วนเป็นแป้งทั้งสิน้นทานได้ถ้าทานส0มสิเปอร์เซนก็จะมีหน้าท้องแบบผมนี้ เพรเพินช่วงที่ผ่านมาผมอยากรู้ว่าวิชาผมดีแค่ไหนควบคุมมันได้ยังไงผมเคยแก่ไปแล้วแล้วผมก็ใช้เวลาสักประมาณ3เดือนเมื่อ2ปีก่อนกลับมาหนุ่มใหม่แล้วผมก็อยากรู้ว่าถ้าผมทำให้มันแก่อีกแล้วมันจะเป็นยังไงผมก็ทำไปแก่ไปสองสเดือนเริ่มมีหน้าท้องกินแป้ง 30% แล้วผมเพิ่งจะเริ่มกลับมาดูแลแล้วก็ทำให้หนุ่มขึ้นมาใหม่แล้วผมมั่นใจแล้วตอนนี้ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าอีกหกสิบปีข้างหน้าแน่นอนตอนนี้สุขภาพผมเท่าที่ตรวจเลือดเท่ากับผมเมื่อตอนอายุสักสามสิบต้นๆแค่นั้นเองแล้วก็แข็งแรงมากมไม่มีใครน้ำหนักสักร้อยโลเลยใช่ไหม เออถ้าเผื่อมีผมจะอุ้มคนที่น้ำหนักสักแถวๆนั้นเนกะ้าสิโลร้อยโลเนี่ยแล้วเดินรอบเนี่ยจบมาวางที่เดิมเนี่ได้สบายๆเวลาผมบรรยายที่ CPO ครั้งแรกผมก็ทำอย่างเงี้ยเยน้ำหนักเท่าไหร่ก็ยืม่อยนะ เป็นไงดีแต่งฮราฮ่าฮ่านั่นนั่นไม่ใช่เอ่อเดี๋ยวขอที่นั่งของน้ำหนักมาจะตั้งติดต่อ อยม่11ครับผมเลิกป่วยมา15ปีแล้วทำไมผมถึงกล้าอุ้มเพราะว่าเวลาที่ผมฟิตเนส ใช้แค่กล้ามเนื้อนอกกับกล้ามเนื้อไหลผมยกน้ำหนักได้80กิโลสบายๆเพราะฉะนั้นถ้าใช้ทั้งตัวเนี่ย100กิโลก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรก็เนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งใครๆก็ทำได้ทะลุทีหายใจ อันนี้เอาไว้วันข้างหน้ามีวาสนาแล้วเดี๋ยวผมไม่ปิดบังเอาวิธีกินก่อนแล้วกันเนาะมอถึงตรงนี้ใครสงสัยอยากถามอะไรไหมครับเราได้กินแป้งยี่สิบห้าเ็แล้วใช่ไหมครับโปรตีนโปรตีนจากผักก็ตามจากเห็ดก็ตาม จากเนื้อสัตว์ก็ตาม 40-50% เราจะเห็นได้ว่าเราทานกันไม่พอและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถในการย่อยโปรโตีนแล้วดูดซึมโปรโตีนมันจะน้อยลงด้วย ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลยคือผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอัลซ์เม์ร์ทำไมถึงเป็นอาลซาเมอร์เป็นเพราะว่าสมองเนี่ยมันต้องการโปรโตีนที่มีขนาดเล็กระดับเปปไจเลยคือเล็กมากๆเลยแต่ร่างกายเราย่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ดูดซึมไม่ได้สมองก็ไม่ได้อาหารเมื่อไม่ได้อาหารมันก็มันก็ทำงานไม่ได้มันสร้างสารที่จะเชื่อมโยงความจา ระหว่างเซล์ประสาทเนี่ยไม่ได้พ อ, อสร้างไม่ได้มันก็มันก็ไม่จำอีกต่อไปอะความจำระยะสั้นจะหายหรือแต่ระยะยาวผู้ใหญ่ดีๆเยอะแยะมากมายหลายคนก็เสียไปทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อไปอีกไม่ได้เพราะ ทานโปรโตีนไม่พอต่อเนื่องเป็นระยะเวลาวยาวนานย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโตีน 40-50% โปรโตีนได้มาจากอะไรถั่วหลายอย่างเห็ดหลายอย่างไข่ขาวเนื้อสัตว์ถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะครับเราไม่ควรทานเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากนะักถ้าเราไม่ป่วยแต่ถ้าเราป่วยแล้วเราต้องหยุดทานเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลย เราจะต้องทานสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลถ้ากินสัตว์ปีกโดยเฉพาะสัตว์ฟาร์มให้กินเฉพาะเนื้อนหน้าอกกับเนื้อสะโพกเท่านั้นคอหนังเครื่องในตีนมันไม่ทานนะครับแล้วที่เหลือเราทานผักผลไม้ให้ทานผักที่เป็นผักสดและผักผ่านการปรุง คือผ่านไฟอ่ะต้มนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผลไม้ให้ทานผลไม้ตามฤดูกาลแก่จัดสุกงอมออแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานถ้าควบคุมเรื่องแป้งแล้วทานทุเรียนหนึ่งเม็ดเลๆ่ๆทานได้นะครับ น้ำตาลที่เป็นปัญหากับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยคือน้ำตาลวิทยาศาสตร์แปลว่าอะไรฮะอย่างเช่นน้ำตาลอ้อยรู้หรื อ, อไหมครับอ้ อ, อยเข้าไปเคี่ยวแล้วก็ทําให้มันตกผลึกเป็นน้ําตาลมิตรผลเม็ดเหลี่ยมๆอะ่ะไอเนี่ยคือผ่านกระบวนการแล้วมันคือน้ําตาลวิทยาศาสตร์ร่างกายเราจะต้องย่อยมันเยอะกว่ามันจะเป็นสาย กลูโคสที่มีขนาดเล็กแล้วดูดซึมได้เมื่อดูดซึมไม่ได้มันก็เป็นขยะอยู่ในเส้นเลือดน้ำตาวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอะไรอีกอย่างเช่นฟุกโตสที่เขาเอามาใส่เปปซี่ใส่โค้กใส่เครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายแหล่เขาทำมาจากอะไรทราบไหมครับเขาทำมาจากแป้งมันสำปะหลังเอาเอนไซม์ลงไปย่อยมันจนกระทั่งเป็นกลูโคส แล้วก็ผ่านเมมเบรนทําให้มันกลายเป็นเพุบโตและเอามาขายคิดดูนะครับว่าแป้งมันสําปะหลังเนี่ยโอ้โหมาเป็นน้ําตาลได้เยอะแยะมากมายนะแล้วเรากินข้าวเป็นกะละมังเนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลอยู่ในตัวเราเป็นกระสอบเลยมันจะไหวเหรอร่างกายมันจะเอาอยู่เลยมันจะสู้ไหวเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนเอเชียโดยเฉพาะคนอีสานจะมีปัญหาสุขภาพอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจากการกินแป้งมากเกินไปเมื่อกินแป้งมากเกินไปมันสามารถที่จะแปลเป็นไขมันแปลเป็นคอเลสเตอรอลแปลเป็นสิ่งซึ่งเกกลังอยู่ในเส้นเลือดของเราได้หมดเลยมันก็นำมาซึ่งโรคเบาหวานโรคไฮคอเลสเตอรอลไฮยูริกไฮทริไกลซิไลไปจนกระทัง่งถึงความดันโลหิตสูงโยมถามผมคนหนึ่งถามผมว่า อความดันสูงแล้วว่ามีไขมันในเส้นเลือดเยอะแล้วว่าจะทํายังไงอ่ะผมบอกง่ายนิดเดียวเลิกกินของมันมาเลิกกินแป้งไอ้ของพวกนี้มันไม่ได้ลอยเข้าปากเราตอนเราหลับนะเราไปขนขวายเสียตังหาซื้อมันมาทั้งสิ้นใช่ไหมครับก็ไม่กินแค่ตัวเองไม่กินก็ไม่ป่วยง่ายนิดเดียวโรคเบาหวานก็เช่นเดียวกันไม่กินแป้งมันก็ไม่ป่วยก็ควบคุมน้ําตาลได้ กินยาอีกนิดหน่อยสร้างเบต้าเซลล์ในตับอ่อนใหม่กันเดี๋ยวก็หายเท่าที่ผมรักษาคนป่วยโรคเบาหวานมามีเพียงคนเดียวที่ไม่หายขาดแต่ก็หายในระดับที่อยู่ดีมีสุขอายุ76เป็นอาจารย์กุลดาเป็นอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ทางด้านรักษายอยู่ที่จุราท่านเดียวนั่นเองที่ไม่หายนอกนั้นก็หายหมดทุกคน คุณก่อศักประทานบริษัท c p พแต่ก่อนก็น้ำตาลสามร้อยน้ำตาลสามสมเก้าจุด้าทุกวันนี้ก็หายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินถูกต้องรับรองว่าหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้วก็ไม่ป่วยดูผมเป็นตัวอย่างทำได้และแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกศิษย์อายุเยอะสุด ของผมเป็น38แเอ่อแต่ก่อนนี้เป็นคนดูแลมามา่าแต่ตัวเองไม่เคยกินมาม่าเลยดูแลตั้งแต่ผลิตจนกระทั่งขายของสาพัน์ปัจจุบันถูก CPO ซื้อตัวมาเป็นรองผู้จัดการใหญ่เงินเดือนแสนกว่าบาทโจก็เป็นลูกศิษย์ผมเลิกป่วยมา10ปีแล้วเหมือนกันเพราะว่าตามผมมา10ปีเอ่อโจเป็นนักกีฬาไตรเอสซ้อนท็ athlon, ทอปเทของประเทศไทยแปบลบว่าวิ่งมาราธอน ขี่จกรยานว่ายน้ำไอ้พวกบ้าเนี่ยเก่งมากแข็งแรงที่ลูกศิษย์ผมนะครับเวลาเราเข้ายิมกันเนี่ยมันจะอัพไซด์ดาวหรือว่ากลับตรงกันข้ามพวกอายุยี่สิบต้นต้นก็จะแข็งแรงน้อยกว่าพวกยี่สิบห้าพวกยี่สิบ้าก็จะแข็งแรงน้อยกว่าพวกสาสิบแปดพวกสามสิแปดก็แข็งแรงน้อยกว่าผมหก แต่บางเรื่องอย่างเช่นวิ่งเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะสู้โจไม่ได้อ่ะโจนวิ่งทิงสี่ห้าสิบโลผมเลิกวิ่งแล้วเพราะว่าต้องเอาสุขภาพร่างกายไปทำเรื่องอื่นไม่ใช่ไปวิ่งเล่นตากังสีสีอยู่อีกสิบปีสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่หลายคนถามว่าผมรักษาคนได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ทำไมผมไม่เปิดคลินิกแล้วรักษารวยตายรักษาบาหวาน คำตอบคือใช่รวยออนอกจากผมรักษาในประเทศไทยผมไปรักษาให้กับสำนักราชเลขาธิการสุลต่านโอมานผมไปโอมานสิบห้าวันกลับมาผมซื้อรถได้ทันเลงแล้วเขาก็อยากได้ผมมากเลยให้อยู่ที่นั่นเลยให้กลับกรุงเทพได้เดือนละสองครั้งให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างบอกเดี๋ยวจะหาเมียให้สี่คนถ้าเปลี่ยนศาสนาไปนับซะ ไปเป็นมุสลิมนะจะหาเมียอีกสี่คนแต่ผมไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมต้องการจะทำแล้วผมรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผมจะทำได้ก็คืออีกสักสิบไม่เกินสิบ้าปีผมจะสร้างอวัยวะมนุษย์ใหม่ในร่างกายมนุษย์ตอนนี้ก็สร้างไปบ้างแล้ว แต่ว่าต่อไปผมพอเวลาไม่เกินสิบ5สิบห้าปีผมจะสร้างแล้วหลังจากนั้นอีกไม่เกินสิบปีผมจะสร้างนอกร่างกายมนุษย์คนดีๆที่ป่วยจะได้ไม่มีความจาเป็นต้องตายแค่ตับไม่ดีไตไม่ดีหัวใจไม่ดีแค่นั้นเองไม่สมควรจะต้องตายนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำต่อไปแล้วก็ผมคิดว่าที่ไหนสมควรจะช่วยผมก็จะไปที่นั่น ผมมาจากเชียงรายขับรถมาติดเคอร์ฟิลก็เลยนอนที่ขอนแก่นคืนหนึ่งแล้วก็มาที่นี่เพราะผมรู้ว่าผมจะต้องมาที่นี่ผมก็มาผมพอใจไปที่ไหนผมก็ไปถ้ามื้อน้ายังมีข้าวกินอยู่ก็ถือว่าผมรวยแล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องหาเงินมา20ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่ทำ เออภรรยาผมตายมาสิบห้าปีแล้วก็บินตกสุราษฎร์ก็ผมก็คิดว่าทีแรกคิดว่าจะไม่มีภรรยาอีกแล้วแต่มาคิดอีกแง่มุมหนึง่งถ้าผมยังใช้ชีวิตเป็นคาราวาสอยู่ผมควรจะต้องมีภรรยาที่จะดูแลกันผมก็ถามตัวมเมกว่าแล้วใครจะอยู่กับผมไปหกสิบปีถ้ารุ่นเดียวกันอีก10ปีมันก็ตายแล้ว啊 ผมก็ต่อโตัวผมเองได้ก็อผมจะต้องไปสอนภรรยาผมตั้งแต่ภรรยาผมอายุยี่สิบเลยเขาจะได้อยู่กับผมได้อย่างน้อยหกสิบเจ็ดสิบปีไม่มีปัญหาอะไรผมก็ไปทำอย่างนั้นก็เอ่อน้องแพรมเป็นเป็นแฟนผมเรียนจบผมจะแต่งงานเป็นภรรยาแล้วก็เป็นผู้ช่วยทำยาด้วยยาที่หลวงพ่อฉันยาที่เอ่อหลวงพี่กำลังจะฉันต่อไป น้องแทนเป็นคนทําถ้าไม่ดีก็ที่หน้าด่าเลยนะคนทํานเป็นคนทาก็ถึงตรงนี้สงสัยอยากถามอะไรไหมครับถามได้ทุกเรื่องชีวิตผมไม่มีอะไรที่ปิดบังถามได้ทุกเรื่องเลยยินดีที่จะามาแบ่งปันกันอินดีาเป็นลมเป็นลมนน ไ, ไมลมอ่โอเค เป็นคำถามที่ดีมากเลยทาไมผมลืมไม่พูดถึงไปได้นมถ้าแม่นมนะครับเป็นแม่นมวัวเมืองร้อนอยู่เมืองร้อนพยายามอย่าทานนะครับเนื่องจากว่านมวัวเนี่ยแม่นมวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์เมืองหนาวพอมันมาอยู่เมืองร้อนเขาจะต้องให้อ n นติเบอติกมัน ให้ยาฆ่าเชื้อรามันให้อะไรต่ออะไรสารพัดมันแล้วมันก็ตกค้างอยู่ในนมนผู้ป่วยผมที่เป็นเด็กๆ เ, เป็นโรคภูมิแพ้มาหาเนี่ยเก้าสิเอร์เซ็นต์คถามแรกที่ผมถามเลยกินนมเยอะใช่ไหมทุกคนจะตอบใช่ถ้ากินนมเยอะตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็จะเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้ํานมนมีปัญหากันกับยาที่เขาใส่ให้กับแม่วัวผมมีคนป่วยคนหนึ่ง เขามาหาผมด้วยโรคความดันโลหิตสูงยูริกไตอิสลายอย่างหนักนะกําลังจะตายเขาเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมแม่แม่น ม, มวัวเขาก็เลายผมฟังหลังจากที่ก็หายแล้วแล้วเขาบอกว่าแม้แต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่กินเลยผมถามว่าทําไมอ่ะเขาบอกว่าไอ้ที่ร้ายที่สุดนะทันทีที่เขารีดน้ํานมเสร็จเนี่ยถ้าเขาเอาไปขายที่สากล แล้วมีความปนเปื้อนของแบคทีเรียสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานไม่ใช่เขาไม่ซื้อนะครับเขาเททิ้งเลยนั่นคือการิกาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขามีซื้อมันจะเอากลับไปปนกับนมดีๆเอามาใหม่เพะฉะนั้นการิกาคือเททิ้งเลยแล้วก็เกษตรกรเราทำไงครับใส่ไฮโดรเจนเปอร์อ อ, อกไซด์ลงไปในน้ำนมเพื่อให้แบคทีเรียไม่โตรู้จักไฮโดรเจนเปอร์อ อ, อกไซด์ใช่ไหครับ ไอ้ฟู่ฟูอ่ะยาฟู่ฟู่ที่ใช้ล้างแผลเน่าอ่ะนั่นนะฮะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วสอดใส่สไตล์เกษตรกรไทยเลยเขาบอกให้ใส่ขวดหนึ่งเพลเซฟใส่มัสองขวดเลยเพราะมันถูกถูกกว่าน้ำนมวัวอีกก็ใส่ไปเละเทะเลยแล้วก็กินพวกนั้นเข้าไปแล้วก็แย่แต่ถ้าเผื่อแม่วัวเป็นแม่ ว, วมัวเมืองหนาวไม่มีใครเขาอยากเสียตังใส่ ย, ยาให้นมอ่ะในในในม ใ, ใ, ใน ว, วัวในแม่แม่ แ, ม, แ, ม, แ ม, ม่แม่นมแม่วัว ไม่มีใครเขาอยากใส่กินได้แต่ถ้าเผื่อเป็นนมในเมืองร้อนแม่วัวเมืองร้อนอย่า ก, กินครับแล้วทำยังไงผู้ปฏิบัติทำไม่กินแล้วจะทำยังไงอาวสมมติว่ามื้อเย็นเนี่ยกาดวัดกันขึ้นค้อนวัดอะตกเย็นมันหิวนะตกเย็นไม่มีสารอาหารเพียงพอเนี่ยจะทำยังไงคำแนะนำของผมซึ่งไม่ผิดพระธรรมวินัยเลยนะครับก็คือ ฉันเวโปรตีนแต่ต้องเป็นเวโปรตีนที่ไอโซเล e เวโปรตีนอ่ะมันทำมาจากอะไรเวโปรตีนในกระบวนการที่เขาทำเนยทำเนยแข็งในต่างประเทศมันจะเหลือน้ำสีเหลือ ง, เ, องเป็นหางนมเ้าเอาน้ำเหลืองเหลืองที่เป็นหางนมนั้นนะ่ะไปสกัดก็จะได้โปรโตีนที่มีขนาดเป็นกรดอะมิโนเลยนะครับเล็กมากไม่ต้องย่อยดูดซึมได้เลยเนี่ย เยอะแยะบานเบิกเขาก็มาดีไฮเดรตเอาน้ำออกให้มันระเหยไปแล้วเอาใส่กระปุกขายยี่ห้อที่ผมทานประจำแล้วก็แนะนำให้คนป่วยผมทานประจำเนี่ยคือยี่ห้อเอ on อโซเลตร้อยเอร์ซตอนนี้เท่าไหรน่น้องตาองตาสอง2008มันขึ้นราคาแต่ก่อนมัน5อ0พมันขายดีมันขึ้นเป็น2 0 0 8 คุ้มค่าที่สุดกับห้าปอนทานวันละสองสกู๊ปอยู่ได้หนึ่งเดือนสบายๆดีกว่านมไม่เป็นไม่เป็นโทษใดๆกับร่างกายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อผมต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อพื้นฐานใหม่เนี่ยผมก็ทาน v เวโปรตีนลบปวนหลงพี่ช่วยจับแขนผมทีครับ จับแขตรงเนี่ยบีบบีบแข็งไหมครับอ่ะทีนี้ผมจะเกรงนะครับผมจะเกง่งบีบลงไหยครับเห็นไหมเนี่ยหกสิบโอ้โหแข็งเป๊กเลยอันนี้ไม่ใช่ออกกำลังกายนะครับกวาดวัดซ่อมวัดเห็นผมหันไปมองรางน้ำสองสามทีหลวงพี่โดดไปลองน้ำเลยได้น้งฝน ขึ้งตุ่มแล้วมาปั่นเนี่ยเห็นไหมะแล้วผมจะไม่กล้าพูดหรือว่าหายจากเบาหวานแน่นอนร0อยเปอร์เซ็เห็นหมเพราะอะไรเพราะลงพี่อย่างอื่นแข็งแรงดีหมดเลยแคอ่อินซูลินที่ออกมาจากเบต้าเซลในตับอ่อนไม่ดีแค่นั้นเองแล้วพอผมพูดถึงเรื่องการฉันหลวงพี่เข้าใจเลยแล้วผมรู้สึกหลวงพี่นะฮะ สายตาของหลวงพี่ความรู้สึกของหลวงพี่หลวงพี่มั่นมุ่งมั่นเลยว่าฉันจะทําให้ได้ฉันจะหายฉนั้นผมพูดไว้เลยนะครับว่าถ้าหลวงพี่ไม่หายนอกจากผมให้ค่ายาโยมที่อุปถากหลวงพี่แล้วเนี่ยคืนแล้วผมจะแถมค่ารถยนต์ค่ารถอะ่ะที่ผมขับจากเชียงรายมาให้หล ม, มารักษาหลวงพี่ให้หลวงพี่ด้วยถ้าไม่หาย ผมพูดอย่างนี้ทำไมรู้ไหมครับให้หลวงพี่เกิดความรู้สึกว่าฉันต้องสู้ฉันต้องทำแล้วก็เป็นแรงกดดันหลวงพี่ว่าต้องไม่ฉันโปรไม่ฉันคราร์โบไฮเดรตเยอะหันไปฉันเวโปรตีนแทนโอวัลตินเนี่ยมีคราร์โบไฮเดรตอยู่ในโอวัลตินเยอะมากนะครับแล้วทำไมผมถึงจะต้องมาพูดเรื่องกินให้กับ อ, อ, อ, อ, อุบาสกอุบาสิกายาดโยมฟังเพราะ ผมค้นพบว่าที่พระป่วยเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะพระเดินไปเซเว่นแล้วไปซื้อของฉันเองแต่เพราะญาติโยมเนี่ยแหละหาของดีๆไม่ให้พระฉันโดยหาลู้ไม่เลยว่ากำลังจะฆ่าพระอยู่พระกำลังจะสูญพัน์จากประเทศไทยเพราะว่าญาติโยมทำพระเป็นเบาหวานกันหมดทุกวัดเป็นความดันกันหมดทุกวัดเห็นภาพไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเบื่อทราบแล้วว่าพระอาจารย์หลวงพี่สุปฏิปโนที่เรารักควรจะฉันคราร์บอเนตได้ไม่เกินยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ก็ช่วยกันมองครับอย่าทําตัวเป็นคนเมืองลาวใส่ข้าวเหนียวในบาตลูกเดียวเลยแต่อย่าไปว่าเขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอากับข้าวล้นๆตามไปที่วัดทีหลัง ของเราจะใส่บาทรน่าดูก่อนนะครับข้าวยี่สเอร์ซ็นต์หรือเปล่าคาร์โบไฮเดรตยี่สิบ์ซนต์หรืเอเปล่าโปรโตีนสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผักผลไม้ที่เหลือมีทั้งผลไม้สุกตามฤดูกาลแล้วก็มีทั้งผักซึ่งผ่านไฟแล้วกับผักสดถ้ามีตามนี้นะครับหลวงพี่หลวงพ่อสุปฏิปโนของเราก็ไม่ป่วย เราเองก็ไม่ป่วยทานอย่างพระทานนั่นแหละนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีแต่าศาสนาจะสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันนะครับช่วยกันแล้วก็ผมจะพยายามมาที่นี่สักอย่างน้อยเดือนละครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่มาผมก็จะหาโอกาสแบ่งปันกันในเรื่องดื่นๆต่อไปอีก นะครับอยากฟังเรื่องอะไรได้เลยการเมืองใครจะเป็นนายกคนต่อไปได้เลยอ่าน้ำเต้าหู้แป๊บหนึ่งนะครับน้องตาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ตอบน้องตาเอ่อหลวงหลวงพี่ถามว่าเราน้ำเต้าหู้เป็นยังไงอ่าเป็นคำถามที่ดีคำถามหนึ่งน้ำเต้าหู้นะครับมีโปรตีนอยู่เยอะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่บ้าง แต่ปัญหาของน้ำเต้าหู้เนี่ยถ้าเราทำแบบสมัยโบราณจะเราบดใช่ไหมครับเราแช่น ะ, ะแช่บางทีก็เอาไปคั่วก่อนแล้วเอามาแช่ให้มันหอมแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเมื่อคั้นน้ำถุเหลืองออกมาแล้วเราจะต้องต้มเคี่ยวไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงทำไมเพื่อให้เอนไซม์ที่มีอยู่ในเมล็ดพืชแทบทุกชนิดแลวมีอยู่เยอะมากในเมล็ดผุเหลืองเนี่ย เอนไซม์นั้นจะขัดขวางการย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อเผื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลืนเมล็ดเข้าไปไม่ย่อยนะถ่ายออกมาในมูลก็จะมีโอกาสงอกต่อไปได้แต่ถ้าเผื่อเราเอาน้ำเต้าหู้มาคั้นน้ำเต้าหู้พูดยังไงอะ่ะเอาถั่วเหลืองมาคั้นน้ำเต้าหู้แล้วเราไม่ได้ต้มจนเอนไซม์เนี้ยมันสลายตัวไปก่อนแล้วเราเอามาดื่มมาฉันมากิน เราจะท้องอืดครับและก็ย่อยอาหารไม่ได้ดูดซึมอาหารได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากป่วยนะครับกินน้ําเต้าหู้ทุกวันเลยแต่เป็นน้ําเต้าหู้ที่ยังไม่ได้เคี่ยวให้เอนไซม์สลายไปเราจะดูดสารอาหารจากอาหารที่เรากินเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็จะย่อยอาหารไม่ได้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรค ก, กรดไหล ย, ย้อนสูงแล้วเราก็จะเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วเราก็จะป่วยแล้วเราก็จะแย่ ทุกอย่างมีคุณมันมีโทษในตัวมันเองด้วยซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ว่าที่ไหนมีพิษที่นั่นมียาแก้พิษที่ไหนมียาแก้พิษที่นั่นมีพิษเาะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการตัวเองให้สอดคล้องกับวิธีทางของธรรมชาติก็แค่เคี่ยวน้ำเต้าหู้ไปครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่เป็นพิษแล้วแล้วก็ทานแต่พอประมาณไม่ใช่ทานทุกวัน น้ำตะหูอย่างเดียวไม่สาใจต้องตามด้วยปลาต้องโกวด้วยอันนี้เนี่ยตายแน่นอนครับเออน้องตาว่าอะไรนะจ๊ะ โอเคเป็นคำถามที่ดีน้ำตกเขียวน้ำถั่วแดงน้ำไหลายน้ำใช่ไหมครับน้ำเผือกโอเคน้ำเหล่านี้เป็นน้ำที่ดีทั้งสิ้นแต่ถ้าพระท่านฉันคาร์บโบไฮเดรตเกินไปแล้วแล้วยังฉันน้ำเผือกเข้าไปอีกเนี่ยก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราควบคุมอาหารพระ แล้วเรามองดูเรารู้ว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนไม่พอดีเราก็แก้ไขได้ด้วยการเออวันนี้พระฉันคาร์โบไฮเดรตไปเยอะแล้วแทนที่จะเป็นน้ำํำเปลือกใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นน้าอื่นซึ่งมันไม่มีคาร์บโบไฮเดรตอย่างเช่นอะไรครับ แต่ว่าเรามักจะคิดว่าเดี๋ยวพระจะไม่อิ่มพระจะหิวพระจะแย่แต่จริงๆแล้วพระไม่แย่นะครับถ้าฉันสองมื้อเต็มที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะมื้อที่สองเนี่ยฉันให้มีผลไม้เยอะๆไม่มีความจาเป็นเลยที่จะต้องฉันมื้อที่สามผมไม่ใช่ฉันนะรับประทานกินเนี่ย อาหารวันหนึ่งแค่สองมื้อหรือมื้อเดียวเนี่ยติดต่อกันมาเป็นเวลาผมว่าน่าจะถึงสามสิบปีแล้วอ่ะผมยังไม่เห็นตายเลยแต่แทนที่จะเป็นสองมื้อเช้าใช่ไหมครับผมเป็นมื้อสายกับมื้อบ่ายหรือมื้อใกล้ๆกล้เย็นหรือมื้อเย็นถ้ามีงานมากอาจจะต้องกินมื้อค่าแต่ยังไงก็คือสองมื้อเหมือนกันปัญหากินไม่ ไม่พอเนี่ยเราขาดสารอาหารเนี่ยไม่มีนะครับในประเทศไทยยากมากผมพูดถึงนักบวชนะครับไม่พูดถึงขอทานข้างถนนไม่มีอ่ะยากมากแต่มากเกินไปแล้วป่วยเนี่ยเยอะมากแค่ทุกวัดมีแต่พระป่วยเพราะโยมจัดน้ำปานะฆ่าพระนี่แหละครับเพราะฉะนั้น เ, เราหันกลับมาดูกันใหม่ ในนี้ผมเชื่อว่าต้องมีคนที่ใช้ Google เป็นก็อถามด็อ o เตอรกก็ได้ว่าข่าวบริษัเดอ 20% นันมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงหรือไม่ผมมาข่าวหน้าเข้าครัวกันเลยเอาหมอต่อดูดิเนี้ยทำอย่างเงี้ยเงยเยได้อะไรขึ้นมาหรือเอากันให้หนักกว่านั้นแต่ต้องเอาจริงนะครับแล้วต้องทำจริงนะครับเพื่อที่พระจะได้ไม่ป่วยผมพานัก โฆชนาการมาด้วยเลยเพราะนักโภชนาการที่ทำอาหารให้กับมักพ่อกายทีมชาตินักกีฬาทีมชาติพามาได้เลยแล้วคนนี้จะแจงละเอียดเลยอะไรเป็นอะไรยังไงน้ำปานะจะต้องแบบไหนจะต้องยังไงเขาบอกเป็นวิทยาศาสตร์ได้หมดทุกอย่างเลยตอนนี้เขากำลังทดสอบตามที่ผมแนะนำอยู่ก็คือทำอาหารแล้วแช่แข็งทันทีแล้วส่งให้ผมที่เชียงาย แล้วผมก็แค่เอาอุ่นแล้วก็กินอาทิตย์ละครั้งส่งมาให้แล้วก็กินวันละสองมื้อสองมือองม้อสองมื้อสองมื้อแต่เรากำลัาลางทำอยู่ถ้าได้ผลผมก็จะบอกว่ามาได้ผลแล้วก็ให้เข้ามาสอนที่นี่ก็ได้ว่าทำยังไงดีไหมครับเอ่อมีคำถามอื่นอีกไหมครับเชิญจัง น้ำผึ้งถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ๆนะครับดีกับร่างกายเพราะในน้ำผึ้งเนี่ยมีน้ําตาลที่ไม่ต้องย่อยแล้วดูดซึมได้นนทันทีอยู่เยอะมากน้ำผึ้งเป็นแอนตี้เซติกในตัวในสมัยโบราณสมมติว่าผมตัดหัวแม่ทับฝ่ายตรงกันข้ามได้เพื่อที่จะไปยืนยันว่าผมตัดได้จริงๆผมจะต้องเอาหัวแม่ทับดองน้าผึ้งแล้วอยู่กี่เดือนก็ไม่เน่านะครับแล้วก็เอากลับมานี่ฉันตัดได้จริงๆ น้ำพึ่งดีแต่ไม่ใช่ฉันวันละปวดนะครับฉันวันละสักสองสามช้อนโต๊ะเนี่ยโอเคดีมือไหนดีที่สุดมือเช้าดีที่สุดครับเนื่องจากว่ามือเช้าเนี่ยร่างกายไม่ได้สารอาหารตลอดคืนแล้วร่างกายต้องการน้ำตาลเพื่อที่จะเป็นพลังงานตอนเช้าอย่างเช่นออกเดินบินธบาตตอนเช้าอย่างเช่น กวาดลานวัดตอนเช้าอย่างเช่นลุกขึ้นมาทำกิจต่างๆทุกอย่างตอนเช้าน้ําพึ่งสักสองช้อนโต๊ะโอเคเลยครับอ่าใส่น้ํามะนาวไหมน้ําพึ่งมันก็ดีนะครับน้มามะนาวเนี่ยมีเอนไซม์ที่ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเอาน้ําพึ่งไปใส่กันกับน้ํามะนาว กินเข้าไปก็เป็นยาแน่นอนเอนไซม์ในน้ำมะนาวเนี่ยนะครับไม่ต้องไปละลายน้ำให้ให้เจือจางนะครับมันสู้เซลล์มะเร็งได้หลายคนที่หายจากการกินของง่ายๆแค่นี้น้ำพึ่งกับน้ำมะนาวเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยสู้มะเร็งได้สบายมากครับ ผสมเกลือไม่ควรครับเราได้เกลือมากเกินความจําเป็นไปประมาณสองเท่าอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ควรหาโอกาสกินเกลือมีแต่ว่าหาโอกาสกินสิ่งซึ่งไม่เค็มนะครับแล้วเกลือเนี่ยมันสร้างขึ้นได้เองในร่างกายด้วยถึงแม่ไม่กินเข้าไปไม่ต้องคิดอื่นคิดกายเนื้อก็เค็มนะครับเราสร้างได้เองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรกินเกลือไม่ควรกินของเค็มจัด นึกแล้วต้องมีคนถามผมเรื่องนี้น้ำหมักป้าเชงโอเคผมพูดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะในฐานะซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งเข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งผมเป็นคนแรกแรกแรกของประเทศไทยที่ลุกขึ้นมาทําเรื่องพวกนี้แล้วก็สอนออกไปผมหวังว่ามันจะไม่เป็นบาปมาถึงผมผมหวังว่าป้าเชงไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาจากลูกศิษย์ของผม สิ่งซึ่งประเชงขายเนี่ยประเชงไม่รู้ตัวหรอกว่าประเชงขายสิ่งซึ่งเรียกว่าแบคทีเรียโอซินแบคทีเรียโอซินเป็นเหมือนกับพิษงูเห่านะครับซึ่งแบคทีเรียสร้างขึ้นเพื่อที่จะฆ่าแบคทีเรียชนิดอื่นปริมาณแค่เพียง 0.5 ปก็ใช้ถนอมรักษาอาหารได้แล้วเพราะฉะนั้นที่ตาเจ็บอาจจะเจ็บเพราะการติดเชื้อ หยอดแบคทีเรียโอซินเข้าไปหายเห็นภาพไหมครับป้าเชงไม่รู้ว่าป้าเชงทำอะไรแต่ผลที่ได้จากการที่ป้าเชงหมักนู่หน ύ, หมักนี่หมักนั่นหมักน้นถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยป้าเชงได้แบคทีเรียโอซินแบคทีเรียโอซินเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียผมมีงานวิจัยงานหนึ่งที่ผมทำตอน เ, ออเป็น thesis ปริญญาเอกของผมอ่ะคือสเปรย์ ฉีดฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดบนโลกใบนี้แม้แต่เชื้อ MRSA ที่ดื้อแ อ, แอนติบ o โอติกก็ฆ่าได้แต่ผลดีก็คือหย่อตาได้เลยกินได้เลยไม่เป็นพิษต่อเซลล์อย่างพวกเราแต่จะเป็นพิษกับเซลล์อย่างแบคทีเรียเราเรียกมันว่าบริสในส่วนผสมของบริสนั้นๆมีแบคทีเรลซินอยู่ประมาณ 1% อร์เซ อะไรนะครับโ okay. อเคเป็นครับสาเหตุเนื่องมาจากว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรและภาชนะที่เขาใช้เนี่ยผมมองดูแล้วมันเป็นพลาสติกหมดเลยถูกๆพลาสติกไม่ดีด้วยนะครับในกระบวนการที่ผมทดสอบทดลองเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยถังไฟเบอร์อย่างดีนะฮะ3ปีผ่านไปน้ำหนักถังมันหายไปครึ่งหนึ่ง แปลว่ามันละลายโปร b บ o ลติกเนี่ยมันละลายถังได้เมื่อผมทำยายาผมจะต้องอยู่ในถังสเตนเลสจะต้องอยู่ในขวดแก้วอยู่ในเซรามิกเท่านั้นแต่เขาใช้ไฟเบอร์เขาใช้พลาสติกนั้นไอพิษที่ได้จากพลาสติกกับไฟเบอร์เอยู่ในสิ่งที่เขาเอามาให้เรากินด้วย แต่ถามว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้ไหมได้แต่มันฆ่าเราด้วยอันเนื่องมาจาก contamination หรือว่าสิ่งปนเปื้อนในกระบวนการผลิตผมสัญญากับชาวอาโศกไว้ว่าเมื่อผมพร้อมผมจะเชิญท่านเสียงศิน์ท่านสารพัดท่านโดยเฉพาะป้าเชงเนี่ยมานั่งแล้วผมจะบอกความจริงทั้งหมดเกียกว่ากระบวนการหมัก กระบวนการบ่มอะไรมันเกิดผลยังไงเอาคร่าวๆนิดหนึ่งก็ได้นะครับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยโปรเบอติกหรือจุลินทรีย์อย่างอัส t ตโแบคเตอร์หรือว่าเลคโตบาซิลัสแพนเทลัมเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกที่ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เก่งที่สุดเลยมันทำได้ยังไงมันทำได้ด้วยการเว้เวนสาย DNA ของตัวเองเอาไว้ blank DNA, blank d n ล blank DNA เลเพื่อที่มันจะได้ไปรับสาย DNA ใหม่จากสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่แลวมันก็จะปรับตัวได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนี่คือหน้าต่างที่ธรรมชาติเปิดให้เราสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาสาย DNA ของสมุนไพรใส่เข้าไปให้กับแล็กตัวบาซิลัสแพนเตลุม และให้แลกโดบซิลัสแพนทลลุมเนี่ยผลิตเปปไทด์ขึ้นมาเหมือนกับสมุนไพรแทนที่จะต้องกินขมิ้นชันสามโลกินแค่30ซีซีพอแล้วดูดซึมได้ทั้งหมดเป็นประโยชน์ได้ทันทีแต่พระเชงรวมทั้งกระ บ, บวนการบ่มหมักทั้งหลายแหละไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรเหมือนกับพระไตรบิดกที่เขาแปลแปลกันมา แปลซะจนกระทั่งกายเป็นว่าภาษาสดาสอนให้ลูกศิษย์ของตถ า, าคตเนี่ยกินเยี่ยวเน่าหมักกับสมอเห็นภาพไหมครับพระพุทธเจ้าของเราอจบนิยายเอกไม่น้อยกว่า21สาขาพูดไว้ชัดเจนเลยว่าชั้นเรียนอะไรมาบ้างไม่งงขนาดให้ลูกศิษย์กินเยี่ยวเน่าหรอกสิ่งที่ครูที่ยิ่งใหญ่ พ่อของเราศาสดาของเราสอนนะ่ะสอนให้เรารู้จักไอโซเลทหรือว่าแยกแลคโตบาซิลัสแพนทารุมจากปัสสาวะของตัวเองแล้วจึงเอาแลคโตบาซิลัสแพนทารุมเนี้ยไปบ่มสมอเพื่อสร้างเปปตายที่จะไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเซลล์ตั้งต้นใหม่แล้วหายป่วยนั่นคือสิ่งที่ศาสดาของเราสอนแต่มันแปลนึกออกไหมแปล ภาษาบาลีอะแล้วไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เลยถ้าโกงผมไม่ได้สอนผมจากความรู้ซึ่งโกงของโกงของโกงของโกงของโกงเรียนมาจากตะวันออกกลางบนเส้นทางสายใหม่ผมก็ไม่รู้เรื่องนี้แต่เขาสอนกันต่อมาเขาทาให้ผมเข้าใจแล้วผมก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเราสอนอะไรแล้วสิ่งที่ผมทําเนี่ยก็แทบจะพูดได้เลยว่าทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน แต่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็รู้ว่าขั้นตอนต่างๆทุกอย่างจะต้องเป็นยังไงจะต้องควบคุมอะไรจะต้องทำแบบไหนจะต้องเป็นยังไงเราจรึงได้เฟปไซที่มีสภาพโครงสร้างโมเลกุลเหมือนอย่างเดียวกันกันกบสมุนไพรเอามากินเอามาปรุงเป็นรูปแบบของยาแบบแผนโบราณแต่ทันสมัย เทียบเลยเพราะอีกร้อยปีข้างหน้าเขาก็จะทําแบบนี้เขาไม่สร้างยารักษาโรคอีกต่อไปแต่เขาจะสร้างยาที่ทําให้ร่างกายของเราสร้างยารักษาโรคเองนี่คือสิ่งที่ผมทําบอกคนป่วยของผมผมสั่งให้ร่างกายคนป่วยสร้างยารักษาตัวเองถ้าป้าเชงนอกจากรวยแล้วอยากจะสวยอยากจะ สร้างกุศลต่อไปวันข้างหน้าคงมีวาสนาที่จะมานั่งแล้วผมจะบอกไม่ปิดบังเลยว่าแกทำผิดอะไรจะต้องแก้ยังไงแล้วแกก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปวันข้างหน้าอย่างไม่ปิดบงังเรื่องนี้ผมคิดว่าผมเข้าใจทะลุ ป, ปุก่งหมดแล้วเพราะตอนที่ผมดีเฟนทีสิสดีเฟนโพสโซกับศาสตรเซอร์ห้าคนเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ทั้งหมดทุกคนนั่งอ้าปากค้าง เราผมก็พิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมไปเรียบร้อยแล้วสิ้นสงสัยกันไปแล้วครับมีใครสงสัยอีกไหมครับเออผมไม่ได้ผมไม่ได้ยินขอโทษครับอ่าเป็นคำถามที่ดีมากขมิ้นชันขมิ้นอ้อย ขมิ้นเหลืองขมิ้นแกงนะครับล้วนเป็นแอนติเซติกแล้วก็ใช้รักษาแผลในกระพาอาหารได้ทั้งสิน้นยาตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาตัวสำคัญที่จะละลายสิ่งโกรปรกที่อยู่ในเส้นเลือดของหลวงพี่นะครับแล้วก็ช่วย ห, หลวงพี่หายจากเบาหวานเนี่ยคือขมิ้นชันในประเทศไทยผมมั่นใจว่าผมปลูกขมิ้นชันเยอะที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่88ไร่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกขมิ้นชันผมจะต้องปลูกขมิ้นชัน3ปีแล้วเอาหัวมันขแขนงมันเนี่ยเอาไปปลูกใหม่แต่หัวมันเหมือนหัวเผือกหัวมันน่ะนะครับป อ, อกเปลือกออกบางส่วนแล้วเอาส่วนนั้นนะอะเท่านั้นที่มาใช้ที่เรากินขมิ้นชันแล้วก็มีปัญหาเรื่องไตเพราะเราไปกินเปลือก เราไปกินขแหนงซึ่งมีลิกนินมีสเตอยรอยฮอร์โมนอยู่เยอะมากเพื่อที่จะป้องกันต้นอ่อนของตัวเองไม่ให้สัตว์มาแรงกินแต่เราไปกินส่วนนั้นด้วยจริงๆเรากินได้เฉพาะแค่หัวมันหัวที่ไม่มีเปลือกเท่านั้นแต่ว่าคนสมัยนี้ขอให้ชื่อสมิ้นชันเถอะมันจับปากแค่นบทใส่แคปซูลขายหลอกขายแล้วหมดอ่ะไม่มีจัร ญ, ญาแพทย์ ก็เลยทําให้คนป่วยเดือดร้อนจากการกินขมิ้นชันขมิ้นชันดีครั บ, ร อ, รบอ๋อวิธีก็คือเอาเฉพาะหัวมันนะครับที่เป็นหัวเหมือนหัวเผือกอะขแขนงไม่เอาเอ่อแง่งที่อยู่ใต้ดินไม่เอาเอาพวกหน้าเอาไปปลูกใหม่แล้วมันจะได้หัวหนึ่งหัวนะครับตรงนั้นเท่านั้นที่กินได้ แล้วปอกเปลือกออกครับขูดเปลือกออกกินเฉพาะเนื้อหน่อเอ่อไม่ไหวมากมันเผ็ดอ่ะก็คงจะต้องป่นจะต้องสับจะต้องซอยใส่แกงบ้างหรือตากแห้งบ้า ง, า แ, ง, างแล้วก็ใส่แคปซูล่นานแต่ว่าช่วยเรื่องปัญหาทางเดินอาหารแน่นอนโรคกรดไหลย้อนเริ่มต้นขมิ้นชันช่วยได้ แต่โกกรคกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีบนโลกใบนี้นะครับไออาการฮาร์ดเบิร์นหรือว่าเจ็บแสบคอแสบอกเนี่ยมันเกิดเนื่องมาจากเอ่อเอ่อบีไฟโไลซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งแบคทีเรียชนิดหนึ่งเหมือนแมงกินฟันแต่มันกินลำไส้เจาะเข้าไปตรงๆเลย ถ้าหมอเรียนจบมาเกิน5ปีจะไม่รู้จักโลกนี้เพราะเขาขพึ่งคนพบจากแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชนสุตรศพสงสัยก็เลยผ่าศพออกมาดูจึงเจอแบคทีเรียชนิดนี้ B ไฟโลไลมันชื่อนะบจุดไฟโลไลมันเป็นแบคทีเรียที่กินลำไส้แล้วมันก็ปล่อยสารพิษออกมาเพื่อหยุดยั้งการย่อยอาหาร การเคลื่อนตัวการขยับตัวของลำไส้เพื่อให้เกิดการหมักมันจะได้โตได้ดีแล้วในกระบวนการหมักนั้นก็เกิดแกส๊สก็ดันออกคอในลำไส้เราในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมีกรดซึ่งเราผลิตเองนะครับขนาด 1.2 ถึง 1.4 อยู่แล้ว 1.2 ถึง 1.4 ี่เปรี้ยวขนาดไหนเปรียปร้ยวกว่ามะนาวสัก5าเท่าไอ้กรดเนี่ยที่เป็นตัวทำร้ายเรา ผมมีผู้ป่วยผมมีผู้ช่วยคนหนึ่งป่วยด้วยโรคนี้พี่ชื่อพี่แดงเริ่มแรกเนี่ยแกเป็นมะเร็งที่เต้านมผมรักษาหายแล้วแกก็ป่วยด้วยโรคหมอบอกว่าเป็นโรคเนี่ยแหละครับโรคกรดไบยอนเนี่ยผมก็เลยศึกษาเรื่องนี้อย่างลุกซึ้งประกอบกับผมมีผู้ป่วยซึ่งเป็นเภสัชกรอีกหลายคนผมก็จับมานั่งประชุมกันหมดเลย เขาคิดยังไงเขาคิดยังไงเขาอะไรยังไงเราค้นคว้าจนพบเชื้อตัวนี้แล้วก็พบยาซึ่งจะแก้เชื้อตัวนี้เอ่อใช้ยาตะวันตกเลยครับฆ่าเชื้อเอ่อมีใครเป็นหรือเปล่าครับเพื่อนไม่ชีเป็นเอ่อมาคราวหน้าน้องแพร่ช่วยเตือนด้วยนะจ๊ะผมจะเอายามาให้ดูเป็นตัวอย่าง หรือว่าจดชื่อยามาแล้วให้เขาไปซื้อที่ร้านขายยาทาน45วันก็หายครับมันมันจะเป็นยา 3-4 ตัวด้วยกันผมไม่นึกว่าผมจะต้องใช้เรื่องนี้ผมก็เลยไม่ได้จำไว้ในหัวกลัวว่าบอกไปแล้วจะไม่ครบหรือบอกผิดเดี๋ยวกลับไปเปิดที่จดไว้ที่บ้านแล้วมาคราวหน้าจะเอามาบอกนะครับไปซื้อยามากินหายครับมันเป็นเรื่องของ การติดเชื้อในทางเดินอาหารแค่นั้นเองไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับมีคำถามอื่นไหมครับเออเชิญเชิญครับเป็นเป็นผืน ขอโทษนะครับเดินมาตรงนี้หน่อยผมอยากได้กลิ่นตัวอยากได้กลิ่นลมหายใจนหน้าตรงนี้สิครับพูดทีครับ มันมันคล้ายๆเราเราทราบเองนะคะว่าเรามีลมอยู่ในท้องแล้วลมเนี่ยมันขึ้นมาที่หัวใจนะคะมันเสียดเสียดแล้วมันก็จะขึ้นโอเคฟันทงผมได้กลิ่นแล้วเป็นโรคนี้แหละครับปิดเชื้อบีไฟโลไลน์ในทางเดินอาหารแก่ ม, มานานมากหมูมากมมาเดี๋ยวมาคราวหน้าจดชื่อยาไปซื้อมากินสี่ห้าวันหายผู้เอ่อ มีอยู่ตรงนี้ไหมครับมีมีโมจิเลียมเอ็นสิบเมลิกัมโอเคแล้วก็มีีอะไรโมจิเลียมเม็ดสีอะไรครับเอ่อโมจิเลียมมันจะเป็นสีขาวๆเออไม่ครัอีกอยาหนึ่งอีกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเหลือนะคะสีเหลืองยาๆไม่ค่ะเล็กนิดเดียวกลมเดียวกลมโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยทานไปแล้วเนี่ยเราเราทนไม่ได้เพราะว่า อีกตัวชื่ออะไรครับจำไม่ได้คือเน็ตคดีไม่ได้เดไว้โอเคปกติจะเดตลอดครับไม่ได้เอามาสองตัวนี้คนละเรื่องไม่มีทางหายกินไปอีกสิบปีก็ไม่หายกินมาเดือนกว่าแล้วอาการถึงเอาไปโยนทิ้งครับคนละเรื่องเลยให้ยามาไม่ตรงไม่ตรงผมได้กลิ่นผมรู้แล้วฟันทงทมินชันช่วยได้แต่ แต่ถ้าเผื่อสู้ว่าเรากินของที่มันๆนะครับเยอะไอ้ของมันๆเนี่ยมันจะไปเคลือบกระเพาะแล้วก็ไอ้บไฟโรไลน์เนี่ยมันอาศัยอยู่ใต้ของมันๆอีกทีเพราะฉะนั้นยาอะไรก็ค้านไม่ได้ใช่มันเกิดแก๊สขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วเวลามันหลุดขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะเอากรดเปรี้ยวๆขึ้นมาด้วยมันก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนฮาร์ดเบิร์นอ่ะคือแบบ เหมือนเจ็บหัวใจอย่างจริงๆไม่ได้เจ็บที่หัวใจเจ็บที่กล้ามเนื้อหูรูดที่ที่อยู่ตรงเนี้ยเวลาเรากลืนน่ยนะครับมันจะมีกล้ามเนื้อหูรูดอยู่พอมันโดนกรดมันก็จะเดือดร้อนนะครับรักษาไม่ยากเลยเผู้ช่วยผมอะปางตายพูดออกมาไม่มีเสียงนะเพราะว่ากรดมันขึ้นมาโดนหลอดเสียงแล้วก็ไอเชื้อที่เสียที่ไม่ดีนะมันขึ้นมาโดน เส้นเสียงเส้นเสียงเป็นอมาาัมพาตไม่ไม่ไหวตัวเพราะฤทธิ์ของยาไม่ใช่ฤทธิ์ของบีไฟโรไลน์ line. เพราะฉะนั้นต้องฆ่าเชื้อนี้แค่นั้นเองเออที่สุด เ, เขาเกือบตายนะแต่ก็หายด้วยสิ่งที่ผมผมจัดให้เขาทานเนี่ยเป็นยาสามอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาบอกคราวหน้า ยาตัวนี้เราควทานต่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ดูครับโยนทิ้งครั บ, บกินหรือไม่กินมีค่าเท่ากันเพราะมันคนละเรื่องแล้วก็่เื่องเหมือนเหมือนขุนะคะเหมือนุยน น, ะะน่ยมันไปกันใหญ่มันมนไปหมดะะมไม่ต้องกินเอ่อทานขมิ้นชันต่อไปก็จะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าจะฆ่าเชื้อนี้ได้เลยเนี่ยยาสามตัวกินติดต่อกันสี่สิ้าวัน ผมจะไม่พูดผมกลัวผมพูดผิดถ้าให้ข้อมูลที่ผิดโอ้โหมันบาปยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นขอที่อยู่ได้คะขอที่อยูเออ่เบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับเดี๋ยวผมยังอยู่พรุ่งนี้ยังอยู่โตเต๋อยู่แถวนี้เออถามน้องตาน้องตาจะรู้ว่าจะหาตัวผมได้ที่ไหนน้องตาหาตัวผมเจอตลอดเลย ผมหนีไปไหนต้องตาก็หาเจอถามต้องตาได้เลยดีไหมดีบอระเพ็ดเป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะครับดีเอ่อยาที่หลวงพี่ฉันแล้วมีรสขมมากก็มีบอระเพ็ดอยู่ด้วยดีครับช่วยให้เจริญอาหารได้เลยถ้าทนความขมได้ทานได้เลย ค, คื อ, อขอโทษผมไม่รู้จักจ้ะไ ม, ไม่ไม่แสดงความคิดเห็นไม่รู้จักก็ไม่รู้จัก ไม่ไม่แสดงความคิดเห็นครับเชิญครับอีกทีท น, ะนะครับอ๋อน้ำเหลือง ไ, ไม่ดีโอเคเอน้ำเหลืองไม่ดีคือระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับก<ม>็ทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นมา เ, เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าผมยังอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะช่วยยังไงอะไรได้บ้างนะครับกลางคืนไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวบอกผิดบอกถูกครับไม่ชี้ครับด หลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่พูดไม่ออกทำยังไงเออผมทำยามาให้หลวงพ่อแล้วครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมช่วยหลวงพ่อได้เดี๋ยวเราลองดูกันถ้าผมช่วยไม่ได้ผมมาอีกก็ด่าผมแล้วกัน ทำยาแล้วหลวงพ่อทานยาสักเดือนหนึ่งก็จะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆแข็งแรงขึ้นก็จริงๆแล้วนะครับ ค, ครับเดี๋ยวผมตอบนะจริงๆแล้วนะถ้าหลวงพ่อแค่กำหนดหลวงพ่อก็เอาชนะสังขารได้แต่หลวงพ่อต้องการให้หมดกับเจ้าความในเวรในชาตินี้ หลวงพ่อก็ยอมเสวยทุกแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ทุกหรอกนะครับไม่ต้องวิตก อ, อกวลเลยผมไปดูใกล้ชิดมาแล้ววันนี้หลวงพ่ อ, อยังจิตใจใสสงบมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแค่บาเลงแค่นั้นเองก็เป็นหน้าที่ผมที่ผมจะได้สร้างบา ร, รมีได้ เรียนจาหลวงพ่อได้ความเมตตาจาหลวงพ่อผมก็ถึงเวลาก็ต้องมาครับก็ลองกันดูสักตั้งเผื่อผมจะได้เรียนอะไรใหม่ๆก็ถ้าผมจะช่วยหลวงพ่อไม่ได้มันจะเป็นพระเพียงรูปเดียวที่ผมช่วยไม่ได้เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีที่ผมช่วยไม่ได้ จริงๆแล้วเราช่วยซึ่งกันและกันผมได้เรียนผมได้สร้างวารมีเพิ่มขึ้นไม่รู้ทำไมรักษาพระเนี่ยถูกโลกกันรักษาอะไรก็หายถ้าจะถ้าจะช่วยหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อจะเป็นรูปแรกในรอบสิบห้าปีเอ่อพูดตรงๆนะครับก็แค่เป็นมะเร็งมะเร็ง มีเชื้ออยู่สองสามตัวที่ไม่เหมือนกันน่าศึกษาว่าหลวงพ่อไปเอาเชื้อพวกนั้นมาจากไหนได้ยังไงถ้ามีตัวเดียวก็จะก็ไม่ไม่ล่องใจแต่ทำไมถึงมีอยู่ถึง2หรือสมตัวเชื้อตัวหนึ่งในนั้นอันตรายเพราะมันจะแพร่กระจายเร็วมากโดยเฉพาะถ้ามันไปปอดได้มันจะแพร่กระจายแบบเดือนเดียวเต็มปอดเลยผมเคยเจอในผู้ป่วยคนหนึ่งที่ไม่มีวาสนา มาถึงผมก็คือคือบอกจะมาหากันอ่ะสามเดือนมาแล้วแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะติดหมอติดนี่ติดนั่นติดโน่นแล้วก็ไม่ได้มาแล้วหลังจากนั้นสามเดือนเราได้เจอกันผมตกใจมากว่าทําไมปอดเขาเหมือนเอาก้อนหินคว้างใส่ปอดเล็กหมดเลยแล้วก็หลังนั้นอีกไม่นานก็เสียชีวิต ขหมายถึงตัวเาอนนี้ยอเขามีอะไราขออนุญาตถูกตัวไม่ฉีดได้ไหมครับอให้หมอถูกตัวได้ไหมครับ bây ngắn là quẹ i họ bỏ cái tay nó c เออไม่ได้เป็นมะเงนะครับแต่ว่าผมว่าน <ats> ่าจะเป็นมะเร็งต่อต่อเน่อแล้วว่างรครับองให้เขาดูให้ดีเขให้ดูครับแล้วว่างแล้วมา ในกองรักษาอย่างนี้จะช่วยไม่ได้เป็นอยไรครับเพราะถเผื่อเป็นมะเร็งคืเอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีอัตราการเาผาผลาญตัวมันเองสูงมากเพราะฉะนั้นมันจะร้อนนะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ข้างเคียงเนี่ยมันจะร้อนมากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อฝึกมาดี เอามือเข้าไปใกล้เนี่ยก็รู้แล้วครับถ้าเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ผมคุ้นชินกับมันเซลล์มะเร็งเมื่อหกเดือนที่แล้วผมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากยังผมรู้จักมันดีผมเคยพูดว่าผมไม่เคยเป็นก็ยังไงก็ไม่รู้จักมันดีแต่ว่าเป็นแล้วเมื่อหกเดือนที่แล้วผมใช้เวลา สองเดือนรักษาหายหมอโรงพยาบาลคอนเฟิร์มผมเป็นเหลือแต่แค่คีบชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อที่จะยืนยันว่าผมเป็นแต่ผมก็บอกไม่ต้องคีบผมรู้ด้วยตัวเองผมเป็นก็ไม่เป็นไรเป็นได้ก็รักษาได้ใช้เวลาสักสองเดือนก็หายตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับสบายดีอันนั้นไม่ใช่มะเร็งคุณแม่สบายใจได้ ครับมีคาถามอีกไหมครับฮะโรคหือหอบโอเคโรคหือหอบใน <c oughs> เคสของแม่ชี น, นะครับรังสี u ูวเป็นอันตรายที่สุดไม่จำเป็นอย่าไปโดนรังสี u ูวดูเหมือนว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับ โรคโรคหืดหอบแต่จริงๆแม้แต่ท่านวอนะครับท่านวอก็เป็นโรคภูมิแพ้อันเนื่องมาจากโดนรังสียูวีอย่าออกแดดหลีกเลี่ยงที่จะโดนแสงแดดแล้วสังเกตนะครับว่าถ้าไม่โดนแดดก็จะไม่ค่อยหืดหอบเท่าไหร่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือแพ้เอ่อซึ่งผมยังไม่รู้ว่าแพ้อะไรที่หายใจเข้าไป อาจจะเป็นไลฟฝุ่นอาจจะเป็นความ อ, อย่างที่วัดพ็ทธรรมกายเนี่ยคนงานแพ้กันเยอะอันเนื่องมาจากหลังคาจากมอด ท, ที่อยู่ในหลังคาจากบัญชีมันอึมันอะไรออกมาเป็นฝุ่นหายใจเข้าไปก็เป็นโรคภูมิแพ้ทีนี้ที่เนี้ยผมยังไม่รู้คือยังไม่ยังไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดไมงั้นก็ยังไม่ยังไม่กล้าพูดว่าแพ้อะไร แต่เท่าที่สังเกตตอนนี้ยผมว่าน่าจะเกี่ยวกับบางสียูวเกี่ยวกันแดดต้องหลบหลบแดดหน่อยออกแดดต้องกลางล่มนะครับไม่ทราบโดนแดดไม่ชีดโดนใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นหนีแดดก่อนครับครั้ง เ, เราจะโดนแดดได้ครั้งหนึ่งไม่เกินสามสิบวินาทีเท่านั้นนะครับแม้แต่ผมก็ตามผมไม่โดนแดดเกินสามสิบวินาที ถ้าจะโดนแดดเกินกว่านั้นเนี่ยเราต้องกลางร่มเราเสียแอนตี้ออกซิแดน์เสียสิ่งดีๆเสียภูมิร่มกันไปเลยถ้าเราไปโดนแดดเรื่องอะไรเราจะเสียไปฟรีๆการให้สารอาหารทั้งหลอดเลือดดำเสียตังครั้งละห้าพันโดนแดด15นาทีหมดละวห้าพันงั้นอย่าโดนอยากสวยอยากมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่โดนแดดเกิน30ินาทีแดด 8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นไม่โดนหลีกเลี่ยงแค่นั้นเองก็แข็งแรงนะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องว่าต้องกินยาอะไรพูดว่าเราต้องทำตัวยังไงเราถึงจะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเราทานน้ำพอสมควรดีครับทานเยอะๆไม่ดี ไปเสียหมดครับอย่าไปเชื่อกินน้ำเป็นปี๊บอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อไร้สาระแก้วเดียวก็พอแล้วครับเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกไม่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์เลยครับเชิญครับข้างหลังหัวใจเต้นช้า ถ้าหัวใจเต้นช้าโดยโปกติดีนะครับถ้าไม่เหนื่อยนักกีฬาหัวใจจะยิ่งเต้นช้าถ้าแข็งแรงยิ่งเต้นช้าแต่ถ้าเผื่อเต้นช้าแล้วเหนื่อยก็ต้องไปตรวจดูว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราเหนื่อยไหมครับตอนนี้ไม่เหนื่อยก็ไม่ต้องไปตกกังวลครับ อันนั้นกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนดึกจะรู้สึกแบบนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของการคล่องฮอร์โมนนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับหัวใจเสียครับยินดีครับมีคำถามอีกไหมครับครับไม่ฉี่ครั บ, รบเออทานแคลเซียมที่เป็นเม็ดก็ดีนะครับผลที่ไม่ดีก็คือเสียตังมันค่อนข้างแพง ถ้าเผื่อเปลี่ยนเป็นทานปลาตัวเล็กได้ประโยชน์กว่าครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ทานปลาตัวเล็กแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรซื้อแคลเซียมกินกินได้ครับไม่มีอะไรเสียหายอ๋ อ, อทางทานบังสวรรค์ก็ต้องพยายามหางาดำและง า, งาขาวงาดำได้หมดเลยเอามาบดนะครับเอามาล้างให้สะอาดแล้วคั่วด้วยตัวเองแล้วบด แล้วแช่ช่องฟรีสไว้เล ย, เลยสองช้อนโต๊ะทุกมื้ออาหารทานแคลเซียมแทนแคลเซียมได้เพศลับของท่านบนดีจำลองสีเมืองนะครับด่าเป็นร้อยวันสามร้อยวันไม่มีปัญหาเพราะทานงาสองช้อนโต๊ะทุกมื้ออาหารน้ำมันตับปลาหรือน้ำน้ามันปลา เออใช้ทอดใช้เจียวหรือว่าเป็นแคปซูลหรือเป็นยังไงครับว่าโอเคน้ำมันโอเคโอเคโอเคผมผมเข้าใจแล้วน้ำมันตับปลาไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาไขมันปลามาเจียวแล้วได้น้ำมันแล้วเอานั้นมากินอันนั้นไม่ดีนะครับแต่ถ้าน้ำมันตับปลากินดีมีโอเมก้าสามโอเมก้าหกโอเมก้าสิบสองครับ ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เอาน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาครับดีอยู่ครับแต่ก็อีกอะค่อน ข, ข้างแฝง <c oughs> ก็เลิกเลิกกินฐานมากินงาแทนได้ครับ <c oughs> ครับดีครับงานเนี่ยดีมากเลยได้ทั้งแคลเซียมได้ทั้งอะไรเยอะแยะหลายอย่า ง, างแล้วก็เอ่อผมไม่คัดงาเรื่องการทานทานมางสวิรัต แต่ขอให้มั่นใจว่าได้โปรโตีนพอไม่ใช่ได้แต่คาร์โบไฮเดรตนะครับไม่ใช่ได้แต่แป้งข้าวกล้องข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาวแต่ข้าวกล้องก็ยังเป็นคาร์โบไฮเดรตทานได้ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับในหนึ่งมื้ออาหารกินผักกินผลไม้เยอะเท่าไหร่ไม่มีปัญหาแต่ถ้ากินแป้งเยอะไม่ตายวันนี้ก็วันหน้าตาย ตายทรมานแค่ไหนแค่นั้นเองจ้ะน้องน้องตาเดอีกทีตีจะ้ะอ๋อผลไม้เอ่อจริงจริงแล้วผักผลไม้เนี่ยทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยยิ่งเยอะยิ่งดีแต่กติกาคือต้องเป็นผลผลไม้ตามด้วยดูการ อยู่ประเทศไทยกินผลไม้ประเทศไทยมันจะสั่งสมอาหารและความเป็นยาสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่ใช่ไปกินอังุ่นดำมาจากญี่ปุ่นนอกจากเสียตังแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่กินกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์กว่ามียาอายุวัฒนะตัวหนึ่งนะครับที่ผมพบกับคุณลุงคนหนึ่งอายุแปดสบปดแปดสิบเก้าอายุแปดสิบแข็งแรง ดีมากเลยสาหรับคนอายุขนาดนั้นไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรใดๆทั้งสิ้นแลวเขารู้ว่าผมเป็นเป็นสินแสเขาก็บอกผมว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมาจากแม่เขาเป็นคนชิมมหารของรัอพระบิยามาหาราชแม่จะต้องชิมมาหารก่อนครึ่งชั่วโมงแม่ยังหัวเราะอยู่ รัช ก, การที่ห้าจริงจะลงเสวยความรับที่เขารู้มาก็คือรัช ก, การที่ห้าใช้กล้วยน้ำว้านะครับเป็นลูกๆเนี่ยกล้วยน้ำว้าสุกเกือบจะเละเนี่ยเป็นลูกๆแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปใส่เกลือเนี่ยสามหยิบมือหยิบปลายนิ้วเนี่ยนะามหยิบมือคนให้เข้ากันแล้วหมักหรือบ่ม ปากโหลไว้โดยมีข้อแม้ว่ากล้วยนั้นจะต้องเป็นกล้วยที่อุดมสมบูรณ์มาจากหวีกล้วยซึ่งมีลูกอย่างน้อย18ลูก1หวีหรือกล้วยจะต้องสมบูรณ์มากเลยถึงจะมี18ลูกใน1หวีแล้วก็วันละ1ลูกเท่านั้นเองนั่นคือเคล็ดรับของคุณลุงวันนี้แล้วเขาบอกผม พอเขารู้ว่าผมทำในสิ่งที่เป็นอุศลแล้วก็เขาไม่โกหกเขารู้มาจากทวดของเขาซึ่งทุกคนในตระกูลเขาอายุยืนหมดอายุเกินเก้าสิบตายทุกคนแล้วก็ผมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าเผื่อใครจะใช้ใช้ได้เลยกล้วยน้ำผึ้ง กรเือยกลือยสามหยิบเกลือเพื่อที่จะทําให้เชื้อราไม่ขึ้นเเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแล้ว ก, วก็ก็คือหมักไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดือนหนึ่งก็ผ่านทานเฉพาะกล้วยนะครับไม่ทานน้ําผึ้งน้ําผึ้งนั้นเอากล้วยลงไปหมักใหม่ได้แล้วเติม น, น้ําผึ้งลงไปหมักเพิ่มได้ ให้น้ำพึ่งท่วมกล้วยเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วน้ำพึ่งแท้ๆนะครับถ้าน้ำพึ่งไม่แท้มันก็จะเสียมันจะเป็นลาครับมีใครต้องการถามคำถามอะไรอีกไหมครับครับเออ ตัดทิ้งไปแล้วหรือยังครับยังอยู่ไหมครับเอามาตรงนี้ได้ไหมครับแต่กี้จะถามอะไรนะครับเชิญครับไส้เลือนใส้เลือด เ, เหรอครับแล้วยังยกของหนักอยู่ไหมครับ ไม่ยกแล้วไส้เลื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่ามันมีช่องว่างฟังผืนมันเสื่อ ม, มนะครับมันก็เลยไหล ย, ย้อนลงมาได้มาอยู่ที่หน้าขาวิธีแก้มีวิธีเดียวคือผ่าตัดเย็บฟังผืนใหม่ไม่ให้ไส้ตกลงมาข้างล่างได้ไม่งั้นมันก็จะมาส่วนใหญ่จะเป็นในผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงก็เป็นบ้างเหมือนกันคําแนะนําคือให้หมอทําศัลยกรรมให้ครับ เ อ, อมัน น, น่าจะหย่อนมากอะนะครับมันไม่มีวิธีอื่นต้องผ่ตาตัดอย่างเดียวแล้วก็หายขาดได้ครับเออผมขอดูหน่อเขาบอกว่าเป็นไฮโปรหรือไฮเปอร์ทํางานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เ, เขาบอกว่าไ ม, ม่มีฮอร์โมนแต่ต้องกินตลอดค่ะแล้วก็เม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงต้องกินยาตลอด เออบ้านอยู่ไหนครับพักอยู่ที่วัดหรือเปล่าครับก็มาปฏิบัติไม่เออคืนนี้พักโอเคพรุ่งนี้ตอนสายผมขอดูหน่อยนะครับพรุ่งนี้ตื่นแล้ว ส, วสบายๆก่อนที่ผมจะกลับผมขอดูหน่อยปกติผมจะไม่ดูคนป่วยตอนกลางคืนเพราะผมไม่เห็นสีผิวที่แท้จริงไม่เห็นตาที่แท้จริงนะครับของกววันผมขอดูหน่อยว่าเป็นเป็นเพราะอะไรเออมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ จะสามทุ่มแล้วถ้าไม่มีเราแบ่งปันกันเท่านี้นะครับแล้วก็ผมจะมาทุกเดือนถ้ามีอะไรผมก็จะมาเพิ่มเติมคราวต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยจใจช่วยอะไรยังไงก็ยินดี